พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่7มิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่าน้ำท่วมวันนี้เป็นวันที่7มิถุนายน พุทธศักราช 2,557 ตั้งแต่เมื่อคืนฝนตกลินพรำๆแต่เมื่อเช้านี่ก็ตอนเช้าจริงๆก็ไม่มีฝนพวกครูบาทั้งหลายก็ไม่ได้มองดูท้องฟ้าเดินไปบินทบาทพอไปถึงพอจะรับบาตจริงๆในหมู่บ้านนะไม่มีลมเลยนะ กูบาใหม่ทั้งหลายกูบาทั้งหลายเลยตากฝนกันเปียกปอนพอซุ่มกวรแต่หลวงพอ่อก่อนที่จะออกไปฝนเตือนะฝนลินพังๆหลวงพ่อก็ต้องเอาร่มไปก็คิดว่าพวกพระที่ไปก่อนคงจะมีร่มกมั้ ม, มันง่ยเพราะฟ้ามืดเพราะมันฝนเตือนตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้เตรียมร่มไปให้ไม่ได้เผื่อมือนกันนะ่ะพอ ไปเห็นเละกูบาทั้งหลายเปียกปอนเลยอืมเขาดีเหมือนกันนะพวกพระใหม่ก็จะได้รู้ว่าเนี่ยการปินท บ, บาทไม่มีล่มจะเป็นยังไงจะได้เรียนรู้หมดทุกอย่างฮะทั้งแดดทั้งฝนการเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นมันยากเองเนี่ยแหละมันไม่เหมือนเงินอยู่ในกระเป๋าทางกานอยู่ในกระเป๋านะ่ะ ถ้าฝนตกเราก็ไม่ไปฮะถ้าเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราก็ต้องเดินไปบินทบาตถ้าไม่บินทบาทเราก็ไม่ได้ฉันบินทบาทนุ่งห่มผ้าบางสกุลอยู่โคลนต้นไม้ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเต้าอันนี้ว่ากิจที่ควรทําของพระเที่ยงเกฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้องบินทบาต เปียกปอนเราจะได้รู้เป็นยังไงพระในครั้งพระพุทธเจ้าพระในครั้งพุทธการยิ่งลำบากกว่าพวกเราอีกแต่ก็ไม่เป็นไรผ้าของเราตากแห้งได้ถ้ามันเปียกเลือตากแห้งตา ก, ก็ได้เดี๋ยวมันก็แห้งเองเราก็จะได้รู้เราก็จะได้แกล่งผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านฟ้าผ่านฝนผ่านฝนตกเปียกปอนมาแล้วนะแต่หลวงพ่อไม่ต้องพูดถึงนะอยู่ที่ปู่เจกก็บางปีมันมีน้ำคลองบินทบาทไม่ได้น้ำมันเออขึ้นมาเต็มไปหมดบินทบาทไม่ได้แต่หลวงปู่ล่าท่านฉันทุกวันญาติโยมก็ต้องน่นนะ่ะ ว่ายน้ำข้ามคลองมาแบบทุรักทุเลเนะี่ยน้ำมันชาวรงชาวป่าด้วยเขาไม่ชำนาญเรื่องน้ำอีกต่างหากเขาก็เสี่ยงอย่างสุดๆก็าหาโพที่ว่าเก่งพอสมควรเนะี่ยว่ายน้ำเขาก็เลือกไม่มีถุงพลาสติกด้วยสมัยนั้นอนะ่ะแบบไปลว่าจะทํายังไงข้าวเดี๋ยวจะไม่เปียกน่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเขาก็เสี่ยง嘛 มาส่งมาให้พระได้ฉันอยู่ที่พูเจ้าก็มีพระสามองค์เนน้อยองค์หนึ่งก็ได้ฉันแบบทุลักทุเลหลวงพ่อยังลําลึกถึงพระคุณผู้ที่เอาอาหารมาส่งให้ได้ฉันในวันนั้นนี่แหละล้ำลึกถึงยังลืมไม่ลืมกระทั่งทุกวันนี้ฟังได้แต่สมัยเป็นเนน้อยฮเห็นเขาเอาอาหารมาส่งด้วยความเสี่ยงชีวิตมา น้ำมันนองอย่างแรงไหลลงมาจากภูเขาอีกต่างหากแล้วก็ได้ส่งอาหารมาถวายพระเราก็ได้ฉันอาหารที่เขาเสี่ยงจากนั้นเขาก็กลับไม่ได้อีกนู่นตัวสันงานงกอยู่เพื่อให้น้ำลดซะก่อนเขาจึงค่อยอพอที่จะว่ายน้ำได้เขาจะว่ายน้ากลับบ้านของเขาอันนี้ก็คือสมัยอยู่ที่ ปู้เจ้ ก, ก็แต่พอมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดน้ําท่วมอีกเลยท่วมจากหน้าวัดป่าบ้านตาดนองไปถึงตีนหมู่บ้านบินทบาดไม่ได้อีกเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วพอบินทะบาดไม่ได้เราก็กลับกุฏิเลยไม่ฉันวันนั้นดูซูแล้วก็ลุ้งตาจะไม่ได้ฉันอีกเหมือนกันนะท่านก็ไม่ฉันอีกเหมือนกันว่าท่านประกาศไม่ฉันเราวันนี้ เพราะมันน้ำท่วมเราก็งดกันพอเราเคยงดเป็นประจําอยู่แล้วพระวัดป่าบ้านตาดวันนั้นรู้สึกจะไม่ฉันนะ่ะน้ำโหมวันนั้นน้ำนองมันมาเอือเกขาวโพลนไปหมดเลยตั้งแต่ตีนวัดป่าบ้านตาดจนถึงตีนบ้านตีนหมู่บ้านนั่นแหละอันนี้คือคือเราเคยมาเคยมาแล้วแต่มาอยู่ที่นี่ มันมาแต่ตอนบ่ายมันไม่เคยมาตนเช้าน้ำนองที่วัดของเราแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะพอฉันจังหันเสร็จแล้วน้ำมันมาจากภูเขาตรงที่ทางไปบินทาบาทเนี่ยนู่นตรงที่ที่คลอง น, น้ำแค่ อ, อกแต่มันก็สว่างหรือว่าสามสีทุ่มก็ลดแห้งไปหมดแล้วพอน้ำไหลจากเขา ที่วัดของเราก็มีเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้ท่วมตอนเช้าไม่ได้ท่วมตอนพระพิบินทาบาทแสดงว่าเทพไปเจ้าเราเทวาเข้าข้างพระอยู่นะอไม่เบียดบางพระเท่าไหร่ไม่ลังแกพระเท่าไหร่พระตอนเช้าพระพิบินทบาทไปหายฉันน้ำยังไม่มาอแต่ก็มีแนวโน้มนะพอตอนสายๆตอนนั้นนะเสียงไม้ไผ่อะไรแตกปองปังปองปังปอปัอ ง, ปองเออไปดูสิสิ น้ำมันเหมือนกับบุกป่าพาดงมาอย่างนั้นอ่ะพวกไม้ไผ่พวกไม้อะไรก็หักลงมาและเนรนาศไปที่ไหนได้โอ้โหน้ำมาแล้วนะสีแดงเถืออนะน้ำขุนมากๆขุนกลักเลยจากนั้นก็นไหลลงไปสูงขึ้นพบพบพบสูงขึ้ น, นเรื่อยๆมีหลายครั้งที่มาอยู่วัดนี้แต่ถึงยังไง ตอนเช้าตอนพระบิณทบาทน้ํำยังไม่มายังไม่เคยเจอจังๆที่ไม่พระบินทบาทไม่ได้ยังไม่เคยมีแต่พระถูกฝนเปียกปอนอย่างนี่อันนี้ธรรมดาฮะพระบินทบาทฝนตกเปียกปอนอันนี้ธรรมดานะถึงจะมีล่มก็จะบางครั้งก็ฝนกระหน่าลงขณะบิณทบาทล่มเอาไม่อยู่เหมือนกัน กังได้ตั้งแต่ครึ่งตัวขึ้นมาข้างบนแต่ข้างล่างลงไปเนี่ยเปียกไปหมดนะพอไรพอมันลมสตร์หน้าศาสตร์หลังมันร่มเอาไม่อยูย่สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อบวชมานานแต่เป็นผ้านี่49ี่พรรษาแล้วนะศนระัทธาญาติโยมลูกหลานบวก8ดเข้าไปอีกเป็นเท่าไหร่เพราะฉนั้นหลวงพ่อผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกทารสุนสุ ข, สขดิบมามากมายพอสมควร ยงมาเล่าเล่าให้ลูกให้หลานได้ฟังพอตัวเองมาเจอเพียงนิดหน่อยเพียงประติวเท่านั้นเองเข็จิตใจท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องของพระคือนักบวชต้องพึ่งตนเองอัตติอัตโนนาโธนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเรา เพราะนั้นการดําเนินชีวิตของพวกเราถึงจะดําเนินทางฆราวาสก็เถอะถึงจะดําเนินทางด้านพระก็เถอะถึงจะดําเนินการเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่ก็เถอะหรือจะดําเนินด้านจิตตภาวนาหาทางพ้นทุก์ในวัฏสงสารก็เถอะอมันมีหลายเถอะอย่างนี้นแต่ต้องพึ่งตนเองถ้าว่าเราจะไปพึ่งพ่อแม่ก็พึ่งได้ในระดับหนึ่ง พึ่งข้างนอกได้ในระดับหนึ่งแต่สู้พึ่งตนเองไปได้แต่พึ่งตนเองคือวางแผนชีวิตของเราเราเกิดมาทั้งทีชีวิตพ่อแม่ให้ขาสองแขนสองสมองหนึ่งนี่แหละพ่อแม่ให้เราแล้วเราจะเดินอย่างไงเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเราจะก้าวกระโดดในโลกนี้กระโดดในพื้นแผ่นดิน ในจั ก, กรวาลนี้อย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดวางแผนถ้าตัวเองไม่มีการวางแผนไม่มีการคิดล่วงหน้าไว้ก่อนอยู่เป็นวันๆอยู่แบบไม่มีอนาคตนะอยู่ไม่มีอนาคตเท่านั้นแต่ถ้าอยู่ในปัจจุบันแบบธรรมะมันกด็ดีถ้าหากว่าอยู่ในปัจจุบันแบบธรรมะจิตใจในเป็นปัจจุบันน่จิตปัจจุบันธรรม อันนั้นก็เลิศประเสริฐนะถ้าอยู่ได้แต่ถ้าว่าเราอยู่แบบทางโลกเราวางแผนชีวิตของเราเราจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตชีวิตของเรานะอันนั้นเราก็ต้องมีแต่วางแผนธรรมะในปัจจุบันใจิตเนี่ยทายังไงคือให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันดูอยู่เดียวนี้ดูใจของเราใจของเรานึกคิดเรื่องอะไร มันไปในทางกิเลสโลกโกรธโงงหรือมันไปทางไหนดูใจของเราจากนั้นก็ชำระใจถ้าใจหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสและวนี่นั่นแหละมองโลกทางไหนมองไปที่ไหนมองเต็มตาทั้งหมดไม่มีอะไรเพราะเหลเพราะใจของเราไม่มีพิษมีภัยเสียแล้วหมดพิษหมดภัยในจิตใจอันนั้นแปลว่าผู้ประเสริฐนะแต่ถ้าว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยวัฏตะสงสารเนี่ย การเป็นอยู่เราต้องวางแผนในเมื่อเป็นพระเราก็ต้องมีแผนอีกแบบหนึง่งเราจะทำยังไงจบที่บัตรตนอย่างไรจะดำเนินชีวิตของพระอย่างไรจึงจะไปได้ดีตลอดรอดฟังเพราอยู่ในโลกมันมีมากหลากหลายในแนวความคิดนานาจิตต่างนานาทัศ น, น, นะไม่ใช่ว่าเขาจะรับนับถือเลื่อมใสศรัทธาเราอย่างเดียวไม่ใช่ ไม่ใช่เขาจะติชินเดินทาดูด่ า, าว่ากล่าวดูถูกเกลียดยามเราอย่างเดียวไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งสองอย่างแต่ทั้งสองอย่างนี่ยเราจะเดินอย่างไรนี่นะี่แหะเป็นหน้าที่ของผู้มีปัญญาใช้สติใช้ปัญญาของตนเองพิจารณาการกรองไตรตรองในเรื่องราวต่างๆเรื่องราวนั้นๆจะเอาตัวรอดได้อย่างไรอันนี้ก็คือเอาตัวรอดทางโลก แต่เอาตัวรอดทางธรรมตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนอันนั้นท่านก็ต้องให้ดูให้ดูตัวเองอย่าหลงตัวเองอย่าลืมตัวเองแล้วก็ให้เอาธรรมะเข้ามาสู่จิตใจธรรมะมีหลายขั้นสำหรับของพระก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญา สำหรับศรัทธาญาติโยมก็คือทานศีลภาวนามันต้องมีทานด้วยนะการอยู่ด้วยกันกับเป็นคราววา่ามันต้องมีการเสียสละเขียนสละให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้วงศาคณาญาติญาติมิตรสหายเขาเราเราเขาการอยู่ด้วยกันใช่แต่เอาอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องมีการเสียสละให้หมู่พเพื่อนทีเขาทีเรา อันนี้คือทานศีลคือรักษากายวายจาองตนเองให้มีกฎระเบียบไม่ให้เดือดร้อนไม่ทำตนให้เดือดร้อนเขาทุกคนต้องรักษาไม่ให้เดือดร้อนจึงกันกันศีล ส, สมาธิทานศีลภาวนาภาวนาคำนี้คล้ายๆับว่าให้ดูจิตใจของตนเองให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งอย่าให้โลค โลเลโลภโกรธหลงราคาโทสะโมหะเยียบย่ำจนเกินไปอันนี้ก็คือทั้งฝ่ายโยงคือทานศีลภาวนาทั้งฝ่ายพระศีล ส, สมาธิปัญญาคือมาอยู่ภายในเข้ามาข้างในและต้องดูอีกมุมหนึ่งอีกศีลคือรักษากายวาจาศีลสอย่ินเ2็อย่าให้ขาดตกบกพร่องสมาธคิคือดูแนวความคิดของตนเอง ให้จิตใจของเราอยู่ในความสงบจะให้ปูงฟุ้งไปข้างนอกและก็ปัญญาปัญญากานกรองไตรตรองเหตุและผลให้เห็นตามความเป็นจริงโลกนี้นมันเป็นอย่างไงอย่างนี้ที่หลวงพ่อได้พูดให้มาถ้าเราเกิดมาพบนายชาตินาเราก็จะต้องเจอถ้าอยู่ภูเขาหรืออยู่ฝากน้ําน้ําก็ต้องท่วมจะต้องลําบากจะต้องฝนตกต้องแดดออก เพๆยังมีพายุถล่มอีกต่างหากอย่างที่พวกเราได้ยิน เ, นเห็นไหมประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปลายปีที่แล้วน่คนตายเป็นหมื่ น, นใครๆก็หาที่ปลอดภัยทั้งนั้ น, นแต่มันหาไม่ได้ในจุดนั้นเนพราะมันน้ำท่วมเป็นบงกว้างสูงตั้งพายุคลื่นทั้งห้าหเมตรคำว่าคลื่นคำนี้นคืออะไรไม่ใช่ฝนตกน้ำท่วม เ อ, ออๆขึ้นมาอย่างนั้นอมันเป็นคลื่นลมแรงตั้งสองสามร้100อยกิโลต่อหนึ่งชั่วโมงนะความเร็วของมันหนีไหวหรอฮะนั่นแหละชีวิตทั้งชีวิตของเราก็เหมือนกับมดตัวหนึ่งแลนนั่นแหละอันนั้นก็คือชีวิตของพวกเราแต่จะหนีไปที่ไหนนี่แหละอันนี้ก็คือชีวิตของมนุษย์เียว่าสำหรับพระนั่นก็ขึ้นอะ สิงสมาธิทำกิจใจให้ส่งปัญญาหาทางพ้นทุกข์ถ้าเราเกิดมาในโลกต้องเจออย่างนั้นแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นไม่ชาติใดก็ต้องชาติหนึ่งไม่พบใรก็ต้องพบหนึ่งแต่เราจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดอีกจุดนี้จะเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องหาครูบาอาจารย์อะท่านลถ้าลำพังเราคิดอย่างเดียวไม่ได้จุดนี้ ต้องอาศัยบรมครูเพราะนั้นจึงมีสยามภูพระพุทธเจ้าพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้ตัดสรู้ชอบเองรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองจากนั้นก็ได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมาพวกเราในสาวกการเป่าผู้ศึกษาเป็นผู้ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึงพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้พระสงฆ์ทั้งหลาย สาวกทั้งหลายคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวเมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังนะั้นนำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวายใจารใจของเราให้ไปแนวแถวศีลและธรรมนี่แหละมันมีปัญมาเป็นทอดๆ อ, อย่างนี้อันนี้เมื่อเราได้อยู่ในครั้งพุทธการเราก็ได้ฟังพระธรรม คำสอนเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าแต่ถึงอย่างไงก็เถอะบางทีฟังเราอาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะฟังมุมใดมุมหนึ่งแต่อง์หนึ่งที่ท่านรู้ท่านเข้าใจกว่าท่านมาเฉลยมาบอกกล่าวให้กับพวกเราฟังอีกอย่างพระ อ, อานน์อย่างนี้ท่านก็เลยฟังพระธรรมเทศนาของลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งนะ ทั้งที่พระ อ, อ น, นุ์ก็ใกล้คิดพระพุทธเจ้าแต่สมัยนั้นคงจะไม่ได้รับเป็นพระอุปถาคก็คงจะอยู่อยู่ในระดับหนึ่งแต่พระเถระองค์นั้นท่านก็แนะนำสอนพระ อ, อนนเหบอกเรื่องธรรมะพระ อ, อ น, นุ์ก็ได้สำเร็จพระโสดาบันกับท่านพระเถระท่านนั้นนี่แหละอันนี้คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้า ถึงจะพูดยังไงถึงจะเอาองค์ไหนเอามาพูดก็เป็นธรรมทั้งหมดเพราะเห็นอะไรเพราะของจริงเมื่อได้รับทำคําสอนออกมาแล้วเอามาสอนให้กับใครเอามาพิจรารณาดูซิถึงจะเด็กพูดใหญ่ผู้ใหญ่พูดคนเท่าคนแก่มาพูดก็คือศีลธรรมเพราะคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะได้ยินทำคํา สอนจากครูบาอาจารย์จากเทพจากหนังสือจากที่ไหนก็ตามเมื่อได้ยินมาแล้วนั่นต้องมาคิดการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลเราจะไปเชื่อทีเดียวก็ไม่ได้อีกนะผิดผิดนะถ้าเชื่อทีเดียวพอได้ยินมาแล้วก็เชื่อไปทั้งหมดก็ไม่ได้ถ้าได้ยินมาแล้วปฏิเสธทั้งหมดก็ไม่ถูกเมื่อได้ยินมาแล้วต้องฟังในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านท่านบอกเปรียบเทียบอีกว่า ลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดประการนะในนวโก ว, วัตที่นางโคตมีพระแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าว่าอู้ประธรรมที่พระพุธองค์ได้ตัดไวในมากเหลือเกินแล้วจะทํำยังไงคนจะศึกษาคนจะรู้ได้ทั้งหมดนะจะมีจะมีอะไรที่จะย่นย่อที่จะให้เข้าใจได้ง่ายพระพุทธองค์บอกว่านี่นะ โคตมีนี่ลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปประการให้ศึกษาตรงนี้เพราะฉะนนั้นในเราศึกษาด้นะลักษณะตัดสินธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่คลุกคลีทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่เป็นผู้อยากใหญ่ไม่เป็นผู้ส่งเสริมกิเลสลักษณะอย่างนั้นอ่ะเอออันนี้แหะคือทำคําสอนของพระพุทธเจนะ้าเนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้า ว, วางเอาไว้แล้วแต่เมื่อพวกเรา อยู่จุดท้ายปลายแดนอย่างนี้เมื่อเราได้ยินอย่างที่หลวง พ, อพ่อพูดให้ฟังแล้วเอสของหลวงพอ่อหรือว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามพูดให้ฟังในเมื่อได้ฟังแล้วหรือว่าได้ฟังใน MP ็สแล้วในหนังสือแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเข้ากันได้ไหมเข้ากันได้ไหมแต่พอเปรียบเทียบดูแล้วถือยังไงมันกับ ขวางกันอยู่อย่างงั้นน่ะเราอย่าเพิ่งเชื่อเอาไว้ก่อนมันทําไมขวางกันนะท่านอาจารย์พูดกับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าตรัสเลยทไมขวางกันนะแต่ออกมาพิจรารณาดูจะนันก็ถามไทยหลายๆองค์ดูหลายคนดูแต่พอเราพิจรารณาแบมันยังขวางอยู่องค์อื่นก็ไม่เห็นด้วยเออแสดงว่าองค์ที่เราได้ฟังมาเนี่ย ท่านจำมาผิดเสียแล้วท่านเข้าใจผิดเสียแล้วท่านจึงมาพูดอย่างนี้นะอย่างที่บางองค์ท่านพูดบอกว่าเอยองค์ไหนที่ท่านเป็นพระหานแล้วท่านทำอะไรก็ได้กินแมงวันไม่เบื่อทำอะไรก็ได้ออกนอกลูนอกทางทำอะไรก็ได้แล้วก็ฝังเอาไว้อาจจะจริง่ส่วนลึกของท่านท่านอาจจะไม่มีอะไรแต่ตามไม่จริง ถ้าผู้มีธรรมแล้วก็ต้องมีวิไนต้องมีวิไนันยต้องมีธรรมต้องมีวิไนไม่ใช่ว่าองค์ไหนพอบรรลุธรรมแล้วจะทาได้ตามอําเภอใจมันไม่ใช่ท่านจะต้องมองดูไปอนาคตด้วยสิว่าถ้าท่านทำเนะี่ยใช่หลักธรรมวิไนเนี่ยไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของเราเป็นของพระพุทธเจา้าเป็นของกลางในเมื่อเรา ทำออกไปสิ่งนี้ที่มันไม่ถูกต้องต่อไปภายภาคหน้าล่ะกุลบุตรจุดท้ายภายหลังเดินตามหลังที่เรากระทำนะดังที่เราทําถัดเขาเหล่านั้นไม่ได้บรรลุไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันเหมือนกับเราเนี่ยจะไม่เป็นการเหยียบย่ําพระธรรมวินัยไม่เหยียบย่ำํำทำคําสอนของพุทธเจ้าหรือทําให้พุทธศาสนามัวหมองหรือหมดเร็ว อายุสั้นเข้าจะไม่เป็นอย่างนั้นเหรอสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดเหมือนกันเพราะได้หลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้ามีมากหลากหลายอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นตัวอย่างอย่างพระมหากบินท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่ลงอุโบสถอย่างนี้นพราะพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้นะมหากบินเธอต้องลงอุโบสถถึงท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจแล้วก็ตาม แต่ท่านต้องเป็นตัวอย่างให้คุลบุตรจุดท้ายภายหลังถ้าท่านไม่เป็นตัวอย่างท่านสําเร็จเป็นพระอรหันแล้วท่านไม่ลงโบสดองค์อื่นก็ไม่ลงโบสดด้วยศาสนาตถาคตจะอยู่นานได้อย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยู่ในหลักธรรมคําสอนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูอดให้ฟังมากหลากหลายก็คือเป็นแนวความคิดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษา ให้ได้ศึกษาพราะพวกเราไม่ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกและทำคำสอนแต่หลวงพ่อเขาไ่อยู่ข้างในศึกษาในเรื่องนั้นเหลี่ยมนี้มุมนั้นเรื่องนี้กูบายจารองค์ไหนคิดยังไงพูดยังไงแนะนำอย่างไรและกับตัวเองประสบประการณ์อย่างไรแล้วก็นำมาบอกกล่าวให้กับคณะจทธทา ย, ยาโยมลูกหลานพระาจเรยเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้นะ ต่อ น, นี้ไปรับผ่อนวันนี้ก็ให้แนวความคิดมากหลากหลายแนวความคิดเพื่อการศึกษาต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้ผ่อน